ือเดคราดแห่งคริสตวัตวรรษที่17ผู้พยายามพิสูจน์ให้มีตัวตนให้ได้อย่างวาทของเขาที่ว่าโคกิโตอริโกซุมซึ่งแปลว่าฉันคิดเพราะฉะ น, นั้นฉันจึงมีซึ่งไม่พ้นไปจากทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ไถถอนมานานกว่า 2,500 ปีแล้วเมื่อมนุษย์มีความหลงผิดยึดถือและปรารถนาให้มีตัวตนอยู่เช่นนี้ ในขณะเดียวกันนั่นเองกระบวนการแห่งชีวิตก็ตกอยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์อันเป็นกฎธรรมชาติที่แน่นอนว่าทุกสิ่งไม่คงที่ไม่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่อยู่ในอำนาจและไม่มีตัวตนที่แท้กฎนี้แสดงแก่ชีวิตในรูปแห่งชาติชรามรณะเป็นต้นทั้งแบบหยาบตื้นและแบบลึกละเอียดจึงกลายเป็นอาการที่ขัดกัน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 กับความหลงผิดยึดถือว่าเป็นตัวตนเมื่อปะทะ ก, กันแล้วไฟทุกขับไฟกิเลสพลุ่งออกมาแสดงฤทธิ์เผาผลาญจนปรากฏผลเป็นปัญหาต่างๆดังกล่าวมาข้างตน้นปราบใดที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่เข้าไปจัดการกับกระบวนการและไฟเหล่านี้อย่างถูกต้องก็เท่ากับว่ามนุษย์พาเอากองไฟหรืออาจจะถึงกับเป็นไฟนรกขุมหนึ่ง